12. ทวาทศกนิบาตหนึ่งจูละกุณาละชาดกว่าด้วยนกดูเว่าจูละกุณาละพระโพธิสัตว์ได้กล่าวว่า บูรุษผู้ไม่ถูกผีสิงไม่ควรเชื่อหญิงที่เป็นคนโลภมีจิตกลับกลอกไม่รู้คุณคนเป็นคนประทุษร้ายมิตรหญิงเหล่านั้นไม่รู้กิดที่ทำแล้วและยังไม่ทำไม่รู้จักมารดาบิดาหรือพี่น้องไม่ใช่อริยะชนก้าวล่วงทำทั้งหลายตกไปสู่อำนาจจิตของตนเท่านั้นเมื่อมีอันตรายและกิดเกิดขึ้นหญิงเหล่านั้นย่อมละทิ้งสามีนั้น แม้อยู่ร่วมกันมานานเป็นที่รักที่พอใจเป็นผู้อนุเคราะห์เสมอด้วยชีวิตเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่วางใจหญิงทั้งหลายแท้จริงจิตของหญิงเหมือนจิตของวา น, นอนขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเงาต้นไม้หัวใจของหญิงวันไว้ไม่หยุดนิ่งกลับกรอกเหมือนล้อกเกวียนที่กนลันงหมุนไปคราวใดหญิงเหล่านั้นมองเห็นทรัพย์ของชายที่พอจะถือเอาได้ ก็ใช้วาจาอ่อนหวานนำเขาไปสู่อำนาจเหมือนกับชาวกัมโพชะใช้สาลายลวงมาคราวใดมองไม่เห็นทรัพย์ของเขาที่พอจะถือเอาได้ก็ละทิ้งเขาไปเสียโดยง่ายได้เหมือนคนข้ามฟากพอถึงฝั่งก็ทิ้งแพไปเสียหญิงเปรียบเหมือนอยางเหนียวกินทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเปลวไฟมีมายาแรงกล้าเหมือนแม่น้าที่มีกระแสชีว่วเพราะว่า หญิงเหล่านั้นคบได้ทั้งชายคนรักและไม่ใช่คนรักเหมือนเรือจอดได้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นหญิงเหล่านั้นไม่ใช่เป็นของชายคนเดียวหรือสองคนเหมือนร้านตลาดที่แผ่กว้างแก่คนทั่วไปชายใดสำคัญหญิงเหล่านั้นว่าเป็นของเราชายนั้นเท่ากับชายตาขายดักลมแม่น้ำห้นทางโรงสุราสภาและบ่อ น, น้าดื่มเป็นชันใด ธรรมดาหญิงในโลกก็ฉันนั้นขอบเขตของหญิงเหล่านั้นไม่มีเลยหญิงเหล่านั้นเสมอด้วยไฟกินเปลียงน้ำมันอุปมาด้วยหัวงูเหา่าเลือกกินแต่ของที่ดีเลิศเหมือนโคเลือกเลมแต่หญ้าอ่อนๆในภายนอกไฟกินเปลียงหนึ่งช้างสารหนึ่งงูเห่าหนึ่งกษัตริย์ผู้ได้รับมรธาพิเศษแล้วหนึ่งหญิงทั้งปวงหนึ่งทั้งห้าอย่างนี้ นรชนพึงคบหาโดยความระมัดระวังเป็นนิดเพราะว่าอาธิษฐัยของทั้งห้านั้นแหละรู้ได้ยากหญิงที่มีรูปงามยิ่งนักหนึ่งหญิงที่ชายจํานวนมากพอใจหนึ่งหญิงผู้ชํานาญในการฟ้อนรําขับร้องหนึ่งหญิงผู้เป็นพัญญาของชายอื่นหนึ่งหญิงที่เห็นแก่ทรัพย์หนึ่งหญิงทั้งห้าจำพวกเหล่านี้ชายไม่ควรครบหาเลย จุลกุณาละชาดกที่หนึ่งจบ 2. พัทธสาละชาดกว่าด้วยเทวดาประจำต้นรังนุ่มพระราชาตรัสกับเทวดาว่าท่านเป็นใครมีเสื้อผ้าสะอาดหมดจดยืนอยู่ทํากลางนภาอากาศเพราะเหตุไรน้ำตาของท่านจึงหลั่งไหลภัยนั้นเกิดจากอะไรพัทธสาละจอมเทพตรัสว่า ขอเดชะพระองค์ผู้สมมติเทพเมื่อข้าพระองค์เป็นผู้ที่ประชาชนในแคว้นของพระองค์บูชาอยู่ตลอดหกหมื่นปีประชาชนเหล่านั้นรู้จักข้าพระองค์ว่าพัทนสาล ร, รุกรเทพขอเดชะพระองค์ผู้เป็นใหญ่แห่งทิศพระราชาพระองค์ก่อ น, อนเมื่อจะทรงสร้างพระนครก็ดีอาคารและปราสาทชนิดต่างๆก็ดีไม่ได้ทรงหมิ่นข้าพระองค์เลย พระราชาเหล่านั้นบูชาข้าพระองค์แล้วฉันใดแม้พระองค์ก็จงบูชาข้าพระองค์ฉันนั้นเถิดพระราชาตรัสว่าเขาพระเจ้ายังไม่ได้เห็นต้นไม้ที่มีลำต้นใหญ่เท่ากับลำต้นของท่านเลยท่านเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นงามมีสันฐานสมส่วนและตรงโดยกําเนิดเขาพระเจ้าจะสร้างปราสาทที่มีเสาเดียวอันน่ารื่นรมจากนําท่านเข้าไปอยู่ในปราสาทหลังนั้น ท่านผู้ควรบูชาชีวิตของท่านจักยั่งยืนพัทธาสารจอมเทพตรัสว่าหากพระองค์เกิดความดำฤทิเช่นนี้หากพระองค์ทรงปรารถนาจะแยกร่างกายของข้าพระองค์ขอพระองค์จงรานกิ่งก้านข้าพระองค์ให้มากแล้วบนให้เป็นท่อนๆพระองค์จงตัดยอดก่อนต่อมาจงตัดกลางลำต้นและจงตัดโคนต้นในภายหลัง เมื่อข้าพระองค์ถูกตัดอย่างนี้จะพึงตายไม่เป็นทุกข์พระราชาตรัสว่าเหมือนราชบุรุษตัดมือตัดเท้าตัดหูและตัดจมูกท่านต่อมาภายหลังจึงตัดศรีรษะของโจรที่ยังเป็นอยู่การตายนั้นพึงเป็นทุกข์พระทศสาละผู้เจ้าป่าการถูกตัดเป็นท่อนๆเป็นสุขหรือเพราะเหตุไรเพราะอาศัยอะไรท่านจึงปรารถนาการถูกตัดเป็นท่อนๆ พัทธาลาจอมเทพตรัสว่าก็ข่าพระองค์อาศัยเหตุอันใดซึ่งเป็นเหตุอันประกอบด้วยธรรมจึงปราถนาการถูกตัดเป็นท่อนๆขอเดชะพระมหาราชขอพระองค์ทรงสดับเหตุอันนั้นของข้าพระองค์พวกญาติของข้าพระองค์เจริญเติบโตอย่างมีความสุขเกิดในที่อับลมข้างๆ ข, ข, ข้าพระองค์ข้าพระองค์พึงเบียดเบียนพวกญาติแมเหล่านั้น ชื่อว่าได้ก่อความไม่สุขสบายให้แก่ผู้อื่นพระราชาทรงสดับคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าพัทธสาระผู้เจ้าป่าท่านได้คิดสิ่งที่ควรคิดปรารถนาประโยชน์เกื้อกูลแก่หมู่ญาติสหายเอย๋ยเราให้อภัยแก่ท่านพัทธสาระชาดกที่สองจบ 3. ส, สมุททวานิชาชาดกว่าด้วยพ่อค้าทางเรือเดินทะเล พระศาสดาตรัสว่ามนุษย์เหล่านั้นพากันไถพากันวานอาศัยผลแห่งการงานเลี้ยงชีพอยู่ก็ยังไม่ถึงส่วนแห่งเกาะนี้เกาะของเรานี้ประเสริฐกว่าชมพูทวีปเทพระบุตรกล่าววา่าในคืนพระจันทร์เพ็ญ15ห้าค่ำทะเลจกมีคลื่นแรงมากจากท่วมเกาะใหญ่แห่งนี้ขอกำลังคลื่นน้ำทะเลจะได้ฆ่าพวกท่านเลย พวกท่านจงไปยังเกาะเอินเถิดเทพบรผู้ร้ายกาดอีกตนหนึ่งได้กล่าวว่ากำลังคลื่นน้ำทะเลจะไม่เกิดจกไม่ท่วมเกาะใหญ่แห่งนี้ข้าพเจ้าเห็นเหตุนั้นด้วยนิมิตมากมายพวกท่านอย่ากลัวไปเลยจะเศร้าโศกทำไมจงรื่นเริงกันเถิดเกาะใหญ่นี้มีอาหารเพียงพอมีข้าวและน้ำมากมายพวกท่านจงยึดครองเป็นที่อยู่อาศัยเถิด ข้าพเจ้ายังไม่เห็นภัยอะไรสําหรับพวกท่านเลยท่านทั้งหลายจงเริ่นเริงบันเทิงใจไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานเถิดนายช่างผู้โง่เขลากล่าวว่าเ mm. ทพบุตรอง์ใดในทิศทักษิณ น, นี้ย่อมกล่าวคัดค้านว่าปลอดภยัยคำของเทพบุตรอง์นั้นเป็นความจริงส่วนเทพบุตรทิศอุดรไม่รู้ถึงภัยหรือไม่มีภยัยพวกท่านอย่ากลัวไปเลยจะเศร้าโศกทาไม จงรื่นเริงกันเถิดฝ่ายในช่างผู้เป็นบัณฑิตได้กล่าวว่าเทพบุตรเหล่านี้กล่าวขัดแย้งกันตนหนึ่งกล่าวว่าจะมีภัยตนหนึ่งกล่าวว่าจะปลอดภัยอย่างไรก็ตามเอาเถิดพวกท่านจงฟังคําของเราพวกเราทั้งหมดอย่าพากันพินาศเสียเร็วพลันเลยพวกเราทั้งหมดจงมาพร้อมกันสร้างเรือโคลนประกอบเครื่องยนต์ทุกอย่างให้มั่นคง ถ้าเทพประบุตรทิศทักษิณ น, นี้กล่าวจริงเทพประบุตรองค์ทิศอุดร น, นี้ก็กล่าวคัดค้านเปล่าๆอันหนึ่งเมื่อเกิดอันตรายขึ้นเรือของพวกเรานั้นจะมีประโยชน์และพวกเราจะไม่ละที้งเกาะนี้ไปแต่ถ้าเทพประบุตรทิศอุดรกล่าวจริงเทพประบุตรทิศทักษิณ น, นี้ก็กล่าวคัดค้านเปล่าๆพวกเราทั้งหมดก็จะพากันขึ้นเรือลำนั้นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเราก็จะมีความสวัสดีข้ามไปจนถึงฝั่งคำที่เทพองค์แรกกล่าวกับคำหลังอย่าไปเชื่อเอาง่ายๆว่าถูกต้องส่วนคำที่ผ่านหูมานรชนใดในโลกนี้เก็บเอามาพิจารณาเลือกเอาแต่คำที่ถูกต้องนรชนนั้นย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสรศิฐพระศาสดาตรัสสามพระคถาว่ากุลบุตรผู้มีปัญญาดุดแผ่นดิน รู้แจ้งชัดถึงประโยชน์ในอนาคตแล้วย่อมไม่ให้ประโยชน์แม้น้อยล่วงเลยไปเหมือนพวกพ่อค้าเหล่านั้นได้ไปดยความสวัสดีกลางน้ำทะเลตามการกระทำของตนส่วนพวกคนพานผู้ที่ติดอยู่ในรถพระโมหะไม่รู้แจ้งชัดถึงประโยชน์ในอนาคตหมกมุ่นอยู่ในประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันย่อมถึงความพินาศเหมือนพวกมนุษย์ที่พินาศกลางทะเลเหล่านั้น คนผู้เป็นบัณฑิตเพึงรีบทำกิจที่ควรทำในอนาคตด้วยหวังว่าในเวลาที่ทำกิจขอกิจที่ควรทำอย่าได้เบียดเบียนเรากิจนั้นย่อมไม่เบียดเบียนเขาผู้รีบทำกิจที่ควรทำเช่นนั้นสมุท t h าวานิชชาดกที่สามจบ 4. กาธมชาดกว่าด้วยกรรมและโทษของกรรมพระโพธิสัตว์กราบทูลว่า หากสิ่งที่สัตว์โลกต้องการนั้นสำเร็จแก่เขาผู้ต้องการกลามเขาได้แล้วย่อมจะอิ่มใจแน่นอนหากสิ่งที่ต้องการนั้นสำเร็จแก่เขาผู้ต้องการกลามเมื่อความปรารถนาสำเร็จแล้วเขายังปรารถนาต่อไปอีกย่อมประสบความอยากยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนคนรตราตราลมและแดดในฤดูร้อนประสบความกระหายยิ่งยิ่งขึ้นไป ความอยากและความกระหายย่อมพอกพูนโดยยิ่งแก่คนผู้โง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้พระสัทธรรมผู้มีร่างกายกำลังเจริญเติบโตเหมือนเขาเจริญแก่โคตัวที่กำลังมีเขาเจริญเติบโตแม้จะให้นาข้าวสาลีนาข้าวเหนียวโคมา้าและ่าชายหญิงทั้งแผ่นดินก็ไม่เพียงพอสำหรับคนคนเดียวบุคคลรู้อย่างนี้แล้วพึงประพฤติธรรมให้สม่ำเสมอ พระราชาทรงปราบราม่าสึกชนะทั่วทั้งแผ่นดินทรงประคองแผ่นดินอันมีสมุทรสาครเป็นที่สุดยังมิทรงอิ่มพระไทยมหาสมุทรฝั่งนี้ทรงปรารถนาแม้มหาสมุทรฝั่งโน้อนอีกบุคคลไม่ประสบความอิ่มใจตลอดเวลาที่ยังหวนระลึกถึงกรามทั้งหลายอยู่บุคคลเหล่าใดกลับใจมีกายหลีกออกจากกามนั้นเห็นโทษในกรามทั้งหลายเป็นผู้อิ่มแล้วด้วยปัญญา บุคคลเหล่านั้นแหละชื่อว่าเป็นผู้อิ่มบรรดาความอิ่มทั้งหลายความอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐที่สุดเพราะบุคคลผู้อิ่มด้วยปัญญานั้นไม่เดือดร้อนเพราะกามทั้งหลายคนที่อิ่มด้วยปัญญาตันหาทําให้อยู่ในอํานาจไม่ได้บุคคลไม่พึงสั่งสมกามควรเป็นคนปรารถนาน้อยไม่โลเลเหลาะแหละคนผู้มีปัญญาเพียงดังมหาสมุทรไม่เร่าร้อนเพราะกามทั้งหลาย ส่วนใดๆของกามทั้งหลายที่ละได้ส่วนนั้นๆก็บรรดาลให้เป็นสุขได้ถ้าปรารถนาสุขทุกส่วนก็ควรละกามให้หมดเหมือนช่างหนังตัดเอาหนังมาทำรองเท้าพระราชาตรัสว่าท่านมหาพรามคาถาทั้งหมดที่ท่านกล่าวแล้วแปดคาถามีค่านับเป็นพันๆกหาปณะนะท่านจงรับทรัพย์ไปเถิดภาสิทธ์ของท่านนี้ดีนกักแล พระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ต้องการทซั์เป็นร้อยเป็นพันหรือเป็นหมืน่นเพราะเมื่อข้าพระองค์กล่าวคาถาสุดท้ายใจไม่ยินดีในกามเลยพระราชาทรงสรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่ามานพคนนี้เป็นผู้เจริญหนอเป็นนักปราดรู้แจ้งโลกทั้งปวงเป็นบัณฑิตกําหนดรู้ตันหาอันให้เกิดทุกข์ได้กามัชาดกที่สี่จบ ชนะสันทชาดกว่าโดยพระเจ้าชนะสันทะพระาศาสดาตรัสระกถาเหล่านี้ว่าได้ยินมาว่าพระเจ้าชนะสันทะตรัสไว้อย่างนี้ว่าเหตุสิบประการที่บุคคลไม่ได้ทำไว้ก่อนเขาย่อมเดือดร้อนในภายหลังบุคคลไม่ได้ทรัพ์ซึ่งตนไม่ได้สะสมไว้ย่อมเดือดร้อนเขาย่อมเดือดร้อนในภายหลังอย่างนี้ว่า เราไม่ได้สแสวงหาทรัย์ไว้ก่อนบุคคลย่อมเดือดร้อนในภายหลังอย่างนี้ว่าเพราะเราไม่ได้ศึกษาศิลปะที่มีอยู่ก่อนซึ่งอาจจะศึกษาได้คนที่ไม่มีศิลปะก็หากินลำบากบุคคลย่อมเดือดร้อนในภายหลังอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนโกงเป็นคนชอบส่อเสียดปลิ่นปล่นดุร้ายและหยาบคายบุคคลย่อมเดือดร้อนในภายหลังอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราเป็นคนชอบฆ่าสัตว์โหดร้ายป่าเทินไม่ยอมนอบน้อมต่อคนทั้งหลายบุคคลย่อมเดือดร้อนในภายหลังอย่างนี้ว่าเมื่อหญิงทั้งหลายที่ไม่มีคู่ครองมีอยู่เป็นจำนวนมากเราก็ชอบเป็นชู้กับเมียคนอื่นบุคคลย่อมเดือดร้อนในภายหลังอย่างนี้ว่าเมื่อข้าวและน้ำปรากฏมีอยู่เป็นอันมากแตเราก็ไม่ได้ให้ทานมาก่อน บุคคลย่อมเดือดร้อนในภายหลังอย่างนี้ว่าพ่อและแม่ผู้แก่เท่าชราพ้นวัยหนุ่มสาวไปแล้วเราสามารถจะเลี้ยงดูได้แต่ก็หาได้เลี้ยงดูไม่บุคคลย่อมเดือดร้อนในภายหลังอย่างนี้ว่าบิดาผู้เป็นอาจารย์ตามพร่ำสอนนำรสที่ต้องการทุกอย่างมาเลี้ยงดูเราก็ดูมิ่นเสียบุคคลย่อมเดือดร้อนในภายหลังอย่างนี้ว่าสมณะและพรามผู้มีศีล ผู้เป็นพหูสูตรเราก็ไม่ได้เคยคบหามาก่อนบุคคลย่อมเดือดร้อนในภายหลังอย่างนี้ว่าตบะที่บำเพ็ญแล้วสรรพูตรที่คนเข้าไปคบหาแล้วย่อมเป็นความดีแต่เราหาได้บำเพ็ญตบะและคบหาสปรพษตมาก่อนไม่ก็เหตุสิิประการเหล่านี้ผู้ใดได้ปฏิบัติโดยถูกต้องผู้นั้นชื่อว่าทำหน้าที่ของคนย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง ชนะสันทชาดกที่ห้าจบ 6. มหากรหาชาดกว่าด้วยคราวที่สุนักดำกินคนพระราชาตรัสถามเท้าสักกะว่าสุนักของท่านทั้งดำทั้งดุแยกเขี้ยวขาววาววามล่ามด้วยเชือกห้าเส้นมันร้องทำไมเท้าสักกะตรัสว่าพระเจ้าอุสินนรัศุนักดาตวนี้ไม่ต้องการเนื้อสัตว์ มันจะหลุดออกไปในคราวที่มันจะทำพวกมนุษย์ให้พินาศท้าวสักกะได้ตรัสอีกว่าเมื่อใดพวกสมณะศีษะโลนครองผ้าสังคาติอุ่มบาททำไร่ทานาเลี้ยงชีพเมื่อนั้นสุนักดำก็จะหลุดออกไปกินเนื้อสมณะโล้นนั้นเมื่อใดนักบวชหญิงมีศีรษะโลนครองผ้าสังคาติปฏิญาณตนว่าบําเพนตบะแต่ซ่องเสพกลามาคุณเที่ยวไปในโลก เมื่อนั้นสุนักดำก็จะหลุดออกไปกินเนื้อนักบวชหญิงนั้นเมื่อใดพวกฉดินมีคราวยาวมีขี้ฟันเครอะมีธุลีบนศรีรษะเที่ยวทวงหนี่อยู่เมื่อนั้นสุนักดำก็จะหลุดออกไปกินเนื้อฉดินนั้นเมื่อใดพราหมณ์ทั้งหลายเรียนพระเวทเรียนสาวิติชันและเรียนยันวิธีแล้วเที่ยวรับแจ้งทาการบูชายันเมื่อนั้น สุนักดำก็จะหลุดออกไปกินเนื้อพรามเหล่านั้นเมื่อใดพ่อและแม่ผู้แก่เท่าชราผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้วบุตรธิดามีความสามารถพอแต่ไม่เลี้ยงดูเมือ verständ, ่อนั้นสุนัขดำก็จะหลุดออกไปกินเนื้อบุตรธิดาเหล่านั้นเมื่อใดพ่อและแม่ผู้แก่เท่าชราผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้วบุตรธิดากล่าวหาว่าท่านทั้งหลายเป็นคนพาล เมื่อนั้นสุนัขดำก็จะหลุดออกไปกินเนื้อบุทธิดาเหล่านั้นเมื่อใดชายทั้งหลายในโลกเที่ยวประพฤติอสัตยธรรมครบชู้กับพัญญาของอาจารย์ก็ดีพัญญาของเพื่อนก็ดีป้าน้าสาวอาสาวก็ดีเมื่อนั้นสุนัขดำก็จะหลุดออกไปกินเนื้อชายเหล่านั้นเมื่อใดพราหมณ์ทั้งหลายถือดาบและโล่หนังเนบกลิศทาการปล้นฆ่าคนเดินทาง เมื่อนั้นสุนักดำก็จะหลุดออกไปกินเนื้อพรามเหล่านั้นเมื่อใดชายทั้งหลายผู้ขัด ส, สีฉวีวันมีลำแขน่ํำสันไม่ปรากฏหลักฐานก่อเวรให้หญิงไมยทำลายมิตรภาพเมื่อนั้นสุนักดำก็จะหลุดออกไปกินเนื้อชายเหล่านั้นเมื่อใดคนมีมายาผิดกฎกติกามีความคิดอย่างคนชั่วจักมีอยู่ในโลก เมื่อนั้นสุนักดำก็จะหลุดออกไปกินเนื้อคนมีมายานั้นมาหากันหาชาโดกที่หจบ 7. โกศยชาดกว่าด้วยโกิยเศรษฐีโกิยาเศรษฐีกล่าวว่าของนี้มีอยู่เพียงนิดหน่อยได้มาแสนยากเขาระเจ้าไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายทั้งไม่ได้สะสมไว้ในที่นี้ ข้าวสุกแล้งหนึ่งนี้ไม่เพียงพอสำหรับคนสองคนท้าวสักกะตรัสว่าบุคคลควรให้แต่น้อยจากของที่น้อยควรให้พอปานกลางจากของที่มีพอปานกลางควรให้มากจากของที่มีมากชื่อว่าการไม่ให้ไม่ควรท่านโกสิยะเพราะเหตุนั้นก็ไปเจาขอบอกท่านว่าท่านจงให้ทานและจงบริโภคจงขึ้นสู่ทางของพระอริยะ ผู้กินคนเดียวย่อมไม่ได้รับความสุขจันทเทพประบุตเข้าไปหาแล้วกล่าวว่าผู้ใดเมื่อแขกนั่งแล้วบริโภคอาหารแต่ผู้เดียวการบูชาของผู้นั้นเป็นโมคะแม้ความเพียรที่ตั้งไว้ชอบของผู้นั้นก็เป็นโมคะท่านโกศยะเพราะเหตุนั้นเข้าไปแจาขอบอกท่านว่าท่านจงให้ทานและจงบริโภคจงขึ้นสู่ทางของพระอริยะ ผู้กินคนเดียวย่อมไม่ได้รับความสุขสุริยเทพเข้าไปหาแล้วกล่าวว่าผู้ใดเมื่อแขกนั่งแล้วไม่บริโภคอาหารแต่ผู้เดียวการบูชาของผู้นั้นย่อมมีผลจริงแม้ความเพียรที่ตั้งไว้ชอบของผู้นั้นก็มีผลจริงท่านโกสิยะเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงบอกท่านว่าท่านจงให้ทานและจงบริโภคจงขึ้นสู่ทางของพระอริยะ ผู้กินคนเดียวย่อมไม่ได้รับความสุขมาตลิเทปบุตรเข้าไปหาแล้วกล่าวว่าก็บุคคลเข้าไปยังแหล่งน้ำบางแห่งแล้วบูชาที่แม่น้ำหลายสายบ้างที่สะโบคหรณีชื่อขยาบ้างที่ท่าน้ำชื่อโทนะและท่าน้ำชื่อติมะพรุบ้างที่ห้วงน้ำใหญ่ซึ่งมีกระแสเชี่ยวบ้างผู้ใดเมื่อแขกนั่งแล้วไม่บริโภคอาหารแต่ผู้เดียว การบูชาของผู้นั้นในที่นั้นและความเพียรที่ตั้งไว้ชอบของเขาในที่นั้นย่อมมีผลท่านโกสิยะเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงบอกท่านว่าท่านจงให้ทานและจงบริโภคจงขึ้นสู่ทางของพระอริยะผู้กินคนเดียวย่อมไม่ได้รับความสุขปัญจสิกขาเทพบุตรเข้าไปหาแล้วกล่าวว่าผู้ใดเมื่อแขงนั่งแล้วบริโภคอาหารแต่ผู้เดียว ผู้นั้นชื่อว่ากลืนเบ็ดพร้อมทั้งเครื่องผูกที่มีสายยาวท่านโกศิยะเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงบอกท่านว่าท่านจงให้ทานและจงบริโภคจงขึ้นสู่ทางของพระอริยะผู้ญิงคนเดียวย่อมไม่ได้รับความสุขโกศิยะเศรษฐีเห็นฤทธิของเทพบุตรเหล่านั้นแล้วจึงกล่าวว่าพราหมณ์เหล่านี้มีผิวพรรณงามจริงหนอแต่สุนัขของพวกท่านตัวนี้ เพราะเหตุไรจึงเปลี่ยนแปลงรัสมีมีสีสันได้ต่างๆนานาข้าแต่ท่านพราหม์ทั้งหลายขอท่านจงบอกข้าพระเจ้าว่าพวกท่านเป็นใครกันเนอท้าวสักกะเทวราชตรัสว่าเทพทั้งหลายที่มาณที่นี้คือจันทเทพบุตรและสุริยเทพปุตรทั้งสองมาตลีเทพสารถีเราคือท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพชั้นไตรทศ ส่วนผู้นี้แลชื่อว่าปัญจสิกขาเทพบุตรท้าวศักกะสรญเสริญยศของปัญจสิกขาเทพบุตรว่าเสียงปรบมือหนึ่งตะโพลหนึ่งกลองหนึ่งเปิงมางหนึ่งย่อมปลุกเทพบุตรผู้หลับแล้วให้เติรนขึ้นเทพบุตรผู้เติรนขึ้นแล้วย่อมร่าเริงยินดีท้าวศักกะตรัสอีกว่าคนผู้ตรณีเห็นแก่ตัวเหล่านี้บางพวกมักว่าสมณะและพราหมณ์ เมื่อทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้ตายไปก็ตกนรกเพื่อจะแสดงว่าบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมได้บังเกิดในเทวโลกจึงตรัสว่าคนผู้หวังสุคติเหล่านี้บางพวกดำรงอยู่ในธรรมคือความสำรวมและการจำแนกแจกทานเมื่อทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้ตายไปก็ไปสุคติท่านเป็นญาติของพวกเราเมื่อชาติก่อนแต่ท่านนั้นเป็นคนตรณีขี้กโกรธ มีทรรมเลวซามพวกเรามาที่นี้ก็เพื่อประโยชน์แก่ท่านนั่นเองท่านอย่ามีทรรมเลวซามไปตกนรกเลยโกิยาเศรษฐีมีจิตยินดีกล่าวว่าพวกท่านหวังเกลื้อกูลเข้าพเจ้าอย่างแน่แท้จึงได้พร่ำสอนเข้าพรเจ้าเข้าพระเจ้าจะทาตามคาที่พวกท่านผู้วังเกลื้อกูลกล่าวทุกประการตั้งแต่วันนี้ไปเข้าพเจ้านั้นจะขอ ง, งดเว้นจากความตรนี จะไม่ทําบาปอะไรๆอีกอนหนึ่งวัตถุอะไรๆที่ไม่พึงให้จะไม่มีแก่ข้าพเจ้าแม้แต่น้ํำข้าพเจ้ายังไม่ได้ให้แล้วก็จะไม่ยอมดื่มข้าแต่เท้าสักกะก็เมื่อข้าพเจ้าให้อยู่ตลอดการทั้งปวงอย่างนี้แม้โผคะของข้าพเจ้าจะหมดสิ้นไปข้าแต่เท้าสักกะต่อแต่นี้ข้าพเจ้าจะละกามทั้งหลายตามที่มีอยู่แล้วบวช โคียชาดกที่เจจบ 8. เมนทะกะปัญหาชาดกว่าด้วยปัญหาเรื่องแพะเป็นเพื่อนกับสุนักพระราชาตรัสถามปัญหาว่าแต่ไหนแต่ไรมาความเป็นเพื่อนกันแม้เพียงการย่างก้าวเดินไป7็ก้าวของสัตว์เหล่าใดไม่เคยมีมาแล้วในโลกนี้สัตว์เหล่านั้นสองตัวซึ่งเป็นศัตรูกันกลับเป็นสหายกัน ประพฤกตเกี่ยวเนื่องกันเพราะเหตุไรและตรัสต่อไปว่าถ้าว่าในเวลาอาหารเช้าของเราในวันนี้พวกท่านไม่สามารถจะกล่าวแก้ปัญหาข้อนี้ได้เราจะเนรเทศ พ, พวกท่านทั้งหมดออกจากแคว้นเพราะเราไม่ต้องการพวกคนมีปัญญาสามเซนกะบัณฑิตกลาบทูลว่าเมื่อมหาชนมาประชุมกันอึกระทึกครึกโครมเมื่อคนมาร่วมกันเป็นโกลหน วข้าพระองค์ก็มีใจฟุ้งซ่านมีจิตไม่แน่วแน่จึงไม่สามารถจะกล่าวแก้ปัญหาข้อนี้ได้ขอเดชะพระองค์ผู้จอมชนนักปราชญ์ทั้งหลายมีจิตแน่วแน่ไปในที่ลับตามลำพังคิดพิจารณาถึงเนื้อความในที่สังัดแล้วภายหลังจึงจะกล่าวตอบเนื้อความข้อนี้ได้เซนกะบัณฑิตนั้นกล่าวคาถาตามแนวที่ตนเรียนมาว่า พวกบุตรของคนชั้นสูงและพวกราชบุตรโปรดปรานพอใจเนื้อแพะพวกเขาไม่บริโภคเนื้อสุนักเมื่อเป็นเช่นนั้นแพะกับสุนักจึงเป็นเพื่อนกันปุกุสะบัณฑิตกล่าวคาถาตามแนวที่ตนเรียนมาว่าชนทั้งหลายถลกหนังแพะทำเป็นเครื่องลาดหนังมา้าเพราะนั่งสบายแต่พวกเขาไม่ลาดด้วยหนังสุนักเมื่อเป็นเช่นนั้นแพะกับสุนัขจึงเป็นเพื่อนกัน ปามินทบัณฑิต ก, กล่าวคาถาตามแนวที่ตนเรนียนมาว่าก็าแพะมีเขาโค้งและมีหญ้าเป็นพักษาสุนทุนักไม่มีเขาและกินเนื้อเมื่อเป็นเช่นนั้นแพะกับสุนัขจึงเป็นเพื่อนกันเวทินทบัณฑิต ก, กล่าวคาถาตามแนวที่ตนเรนียนมาว่าแพะกินหญ้ากินใบไม้แต่สุนัขไม่กินหญ้าไม่กินใบไม้สุนัขจับกระต่ายและแมวกินเมื่อเป็นเช่นนั้น แพะกับสุนักจึงเป็นเพื่อนกันโมโหสถบัณฑิตฉเฉลยปัญหาที่ปรากฏจแจมแจ้งแก่ตนว่าแพะมีสี่เท้าแปดกีบแปดเล็บสุนักนี้แฝงกายนำหญ้ามาเพื่อแพะตัวนี้ส่วนแพะนี้แฝงกายนำเนื้อมาเพื่อสุนักตัวโน้นในว่าพระองค์ผู้จอมเทพประเสริฐกวาชา ว, วิเทหะประทับอยู่ในปราสาทอันประเสริฐ ได้ทอดพระเนตรการแลกเปลี่ยนอาหารของกันและกันโดยประจักษ์และนั่นเสียงเห่าของสุนัขต่อหน้าแพ้พระราชาตรัสว่าเป็นลาบของเราไม่ใช่น้อยหนอที่มีบัณฑิตเช่นนี้อยู่ในราชสกุลปราทั้งหลายรู้แจ้งเนื้อความแห่งปัญหาอันละเอียดลึกซึ้งได้โดยตลอดและกล่าวด้วยถ้อยคำอันเป็นสุภาษิตและตรัสอีกว่าเรามีความพอใจอย่างยิ่งด้วยถ้อยคาอันเป็นสุภาษิต เราให้รถเทียมมาอาสดรคนละคันบ้านสวยที่มั่งคั่งคนละหนึ่งตำบลแก่ท่านผู้เป็นบัณฑิตทุกคนเมนทะกะปัญหาชาดกที่8จบ 9. มหาปทุมะชาดกว่าด้วยมหาปทุมะกุมารพวกผู้ใหญ่มีกษัตริย์มหาศาลเป็นต้นตลอดจนอมารราชาสเวเกได้กลาบทูลว่า โทษน้อยใหญ่ของผู้อื่นทั้งหมดที่ยังไม่ได้เห็นไม่ได้พิจารณาด้วยตนเองผู้ใหญ่ไม่ควรลงทันส่วนผู้ใดเป็นกษัตริย์ยังไม่ได้ทรงพิจารณาแล้วทรงลงอาชิยาผู้นั้นชื่อว่าเกลือนโพชนาหารพร้อมทั้งน้าเหมือนคนตาบอดแต่กำเนิดเกลือนกินอาหารที่มีมแมลงวันพระราชาพระองค์ใดลงอาชญยาบุคคลผู้ไม่ควรจะลงอาชญยา ไม่ลงอาชญยาบุคคลผู้ควรลงอาชญยาพระราชาพระองค์นั้นไม่รู้สิ่งสมควรหรือไม่สมควรเหมือนคนตาบอดเดินทางที่ขรุขระอันหนึ่งฐานะน้อยใหญ่ทั้งหมดเหล่านี้พระราชาพระองค์ใดเห็นชัดเจนดีแล้วสั่งการลงไปพระราชาพระองค์นั้นสมควรจะปกครองราชสมบัติได้พระราชาผู้อ่อนโยนอย่างเดียวหรือผู้แข็งกร้าวอย่างเดียว ไม่สามารถจะดำรงตนอยู่ในฐานะอันยิ่งใหญ่ได้เพราะเหตุนั้นพึงประพฤติทั้งสองประการพระราชาผู้อ่อนโยนก็อาจจะถูกดูหมิน่นผู้แข็งกร้าวก็อาจจะมีศัตรูครั้นทราบเพททั้งสองอย่างนี้แล้วพึงประพฤติพอสมควรเป็นกลางๆงไว้คนมีความกําหนัดพึงพูดมากถึงคนมีความโกรธก็พูดมากขอเดชะมหาราช พระองค์ไม่ควรให้ปรงพระชนพระราชโอรสเพราะเหตุแห่งหญิงเลยฝ่ายพระราชาผู้โง่เขลาทรงสั่งลงอาชญยาว่าประชาชนเป็นฝ่ายเดียวกันทั้งหมดฝ่ายหญิงนี้มีเพียงคนเดียวเพราะเหตุนั้นเราจะปฏิบัติตามคำของหญิงนี้พวกท่านจงไปจงโยนปฐุมกุมาร น, นั้นลงเหวไปเถิดต่อมาพระราชาตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่า ที่ซอกเขาอันเป็นเหวลึกหลายชั่วลำตาลยากที่จะขึ้นมาได้เจ้าถูกผลักตกลงไปในเหวนั้นทำไมจึงไม่ตายพระโพธิสัตว์กราวทูลว่าพญานาคเกิดอยู่ที่ซอกเขานั้นแผ่พังพานมีกำลังใช้ขนดรองรับอาตมาภาพเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงไม่ตายในเหวนั้นพระราชาตรัสว่าพ่อราชบุตรมาเถิด พ่อจักนำเจ้ากลับพระราชวังของตนขอความเจริญจงมีแก่เจ้าเจ้าจงครอบครองราชสมบัติเถิดเจ้าจะทำอะไรอยู่ในป่าเล่าพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าอาตมภาพมองเห็นตนเหมือนคนที่กลื่นเบ็ดแล้วดึงเบ็ดที่เปื้อนโลหิตขึ้นมาครั้นดึงขึ้นมาแล้วพึงเป็นสุขพระราชาตรัสว่าอะไรหนอเจ้ากล่าวว่าเป็นเบ็ดอะไรหนอเจ้ากล่าวว่าเบ็ดเปื้อนโลหิต อะไรหนอเจ้ากล่าวว่าดึงออกมาแล้วเราถามแล้วขอเจ้าจงบอกความข้อนั้นพระโพธิสัตว์กราบทูลว่ากามอาตมากล่าวว่าเป็นเบ็ดช้างและมา้อาอัตมากล่าวว่าเป็นเบ็ดที่เปื้อนโลหิตการสละได้แล้วอาตมากล่าวว่าดึงออกมาแล้วขอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้เถิดจอมกษัตริย์พระศาสดาทรงประมวลชาดกด้วยคถาสุดท้ายว่า พระราชมารดาเลี้ยงเป็นนางจินจมานวิกาพระราชบิดาของอาตมาเป็นพระเทวทัตพญาณาคเป็นอานนผูเป็นบัณฑิตเทวดาเป็นพระสารีบุตรพระราชบุตรคือตถาคตขอเธอทั้งหลายทรงจำชาดกไว้อย่างนี้มหาปทุมชาดกที่เก้าจบสิบมิตรามิตชาดก ว่าด้วยลักษณะมิตรและผู้มิใช่มิตรพระราชาตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่าวินยูชนผู้เป็นนักปราดเป็นบัณฑิตเห็นหรือได้ยินผู้ทําการงานอะไรบ้างหรือพึงพยายามอย่างไรจึงจะรู้ว่าผู้นี้ไม่ใช่มิตรพระโพธิสัตว์กราบทูลลักษณะผู้มิใช่มิตรว่าคนผู้มิใช่มิตรคือเห็นเพื่อนแล้วไม่ยิ้มแย้มหนึ่งไม่ยินดีจะสนทนากับเพื่อนหนึ่ง ไม่สบตาเพื่อนหนึ่งพูดต่อต้านหนึ่งคบศัตรูของเพื่อนหนึ่งไม่คบเพื่อนของเพื่อนหนึ่งห้ามปรามคนที่สันเสริญเพื่อนหนึ่งสันเสริญคนที่ด่าเพื่อนหนึ่งไม่บอกความลับแก่เพื่อนหนึ่งไม่ช่วยปกปิดความลับของเพื่อนหนึ่งไม่ยกย่องการกระทำของเพื่อนหนึ่งไม่สันเสริญปัญญาของเพื่อนหนึ่งเมื่อเพื่อนฉิบหายกลับพอใจหนึ่ง เมื่อเพื่อนเจริญกลับไม่พอใจหนึ่งได้อาหารที่มีรสแปลกมาก็ไม่นึกถึงเพื่อนหนึ่งแต่นั้นย่อมจะไม่อนุเคราะห์เพื่อนว่าอย่างไรหนอเพื่อนเราพึงได้ลาบจากที่นี้บ้างหนึ่งอาการ16หข้อดังกล่ามานี้มีอยู่แล้วในคนที่มิใช่มิตรพึงเป็นเหตุให้บัณฑิตได้เห็นและได้ยินแล้วรู้ได้ว่ามิใช่มิตรพระโพธิสัตว์กราบทูลลักษณะของมิตรว่า วินยูชนผู้เป็นนักปราดเป็นบัณฑิตเห็นหรือได้ยินผู้ทาการงานอะไรบ้างหรือชนพืงพยายามอย่างไรจึงรู้ว่าผู้นั้นเป็นมิตรได้กล่าวคาถาที่เหลือว่าคนผู้เป็นมิตรคือเพื่อนจากไปก็คิดถึงหนึ่งเพื่อนกลับมาก็ยินดีหนึ่งหยอกล้อยิ้มย่องต่อเพื่อนหนึ่งยินดีตอบสนองด้วยวาจาที่ไพเราะหนึ่ง คบเพื่อนของเพื่อนฝ่ายเดียวหนึ่งไม่คบศัตรูของเพื่อนหนึ่งห้ามปรามคนที่ด่าเพื่อนหนึ่งสันเสริญคนที่ยกย่องเพื่อนหนึ่งบอกความลับแก่เพื่อนหนึ่งช่วยปกปิดความลับของเพื่อนหนึ่งยกย่องการกระทําของเพื่อนหนึ่งสันเสริญปัญญาของเพื่อนหนึ่งเมื่อเพื่อนเจริญก็ยินดีหนึ่งเมื่อเพื่อนฉิบหายก็ไม่ยินดีหนึ่ง ได้อาหารที่มีรสแปลกมาก้นึกถึงเพื่อนหนึ่งแต่นั้นย่อมจะอนุเคราะห์เพื่อนว่าอย่างไรหนาเพื่อนจะได้ลาบจากที่นี้บ้างหนึ่งอาการ16ข้อดังกล่ามานี้มีอยู่แล้วในคนที่เป็นมิตรพึงเป็นเหตุให้บัณฑิตได้เห็นและได้ยินแล้วรู้ได้ว่าเป็นมิตรมิตรตามิตรชาดกที่10บจบรมชาดกที่มีนินิบาตนี้คือ 1. จูละปุณาละชาดก 2. พัทธาสารชาดก 3. ส, สมุท t วานิชาชาดก 4. กามชาดก 5. ชนะสันทะชาดก 6. มหากัญหาชาดก 7. โอสิยะชาดก 8. เมธะกะปัญหาชาดก 9. มหาปทุมะชาดก 10. มิตรามิตรชาดก เทวาทศกานิบาทจบ